พอเห็นไฟก็คานเข้าไปหาแต่ไม่รู้ว่ามันร้อนหรือมันเย็นแน่พ่อก็ดึงเอาไว้ไม่ให้ไปจับไฟแต่ก็ยังคานเข้าไปอยู่แต่เมื่อเด็กน้อยนันได้จับไฟดูก็ก็จะรู้ว่ามันร้อนเขาก็จะไม่เอาอันนั่นเรียกว่าได้สัมผัส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 สะดวกแบบความรู้สึกตัวไม่ใช่สะดวกแบบความคิดเหน็นสะดวกแบบความคิดเหน็นไม่สะดวกแบบความคิดเหน็นมันเป็นเรื่องหนึ่งถ้าสัมผัสกับความรู้สึกตัวเนี่ยโอ้ความรู้สึกตัวมันความรู้สึกตัวก็เข้าถึงความรู้สึกตัวจริงจริงเหตุที่จะทำให้เข้าถึงความรู้สึกตัวมันเพราะเพราะมันมีหลา ย, ลายอย่างวัดดูเ ป, เปรียบดู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 โอ้ oh, เราจะต้องตามตัวนี้ลองดูจะต้องสร้างตัวนี้ลองดูก้าวไปที่หนึ่งของรู้สึกตัวได้สําเร็จแต่และก้าว 9, สาเร็จด้วยความรู้สึกตัวหรือยกมือสร้างจังหวะรีบดแต่ละรีบดได้ย่ยรู้สึกตัวโอ้มันสําเร็จมันสําเร็จมันสําเร็จการใช้รูปแบบมันสําเร็จเข้าถึงความรู้สึกตัวเข้าถึงความรู้สึกตัว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 เมื่อเห็นอย่างนี้ก็ เ, เกิดพลังแห่งกระบวนฐานยุทธธรรมเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาศีลเขาช่วยให้เกิดกามหนักแน่นมั่นคงสมรวมลงเองผู้มีสติสมชัชย์ยะก็เกิดการสมรวมอายตนะลงไปเองแม่แต่ได้ยินทางหู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 กัลยาณมิตรเนี่ยพาถึงมรรคถึงผลนะแต่ว่าถ้าใครช่วยเราไม่ถึงมรรคถึงผลถ้าเป็นเพียงกัลยาณมิตรเนี่ยพาให้ถึงมรรคถึงผลกัลยาณมิตรก็คือนี่แหละมาสร้างสติด้วยกันอย่างนี้มาบอกมาพูดด้วยกันแล้วก็เห็นนเดียวกันโอ้เพื่อนเรานั่งอยู่กตลังโนนก็คงวุง่นนเรา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 ถ้าเขามาเห็นเราเขาก็ไม่ได้โอกาสโอ้มันดีเนาไม่ใช่เราไปขอทานเขาเราเดินไปเป็นธามาดไม่สวมรองเท้าโอ้เราก็เหัดเราดีเนาแต่ก่อนเนี่ยรองเท้าอ่อนบอบบางพอเดินที่แรกเนี่ยวางวางรูปวางองน้ำตาร่วงนะพอเดินไปเดินมาก็เดินได้อืมมเ้าก็ปึกไป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 เ, เพื่อนเดินจอกจอกแก่ๆเราก็เดินจอกจกแกๆเกิดสนุกหัวล้อไปเลยไม่ใช่เราทุกคนเดียวเนาะนี่คันละยานมิตรกันละยานามิตรเนี่ยมันพาถึงมักถึงผลเหมือนสมัยครั้งพระพเจ้ามีเหล่าพระสาวกทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันคนไขยหุ่นอกคนใจ